เช้าวันนี้ขอกราบนนมนล์พระอาจารย์วัฒนาชัยสแสดงธรรมให้พวกเราฟังกันครับกราบนมนมณฑ์ขออบน้อ ม, อมต่อคุณพระรัตนไตรขอโอกาสเพื่อนสนิททก่านเจนริญธรรมม่ชีระญาติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายๆเนาะน้ำ ในพุทธศาสนานี้มีคําสอนของพระเจ้ามากมายอาจจะเรียกได้ว่าถึง 84% 00มพันรรมรธมขันเนาะก็คําว่า8ป0หมพั น, รร ม, นมัธยมขันนี่หมายควาว่ามีมากมากมายมหาศารเนาะหรือถ้าคิดเป็นพระไตรปิฎกก็เท่ากับประมาณ45เล่มนะเพราะฉะนั้นคําสอนมากมายครั้นี้เราจะรู้ได้ไหมว่าจับหลักในหลักการต่างๆได้ไหมเพราะว่ามีมากมายใช่ไหม คร น, นี้ถ้าหากว่าเราจะจับหลักจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถจับหลักได้เนาะก็คือจับหลักได้แบ่งเป็น2ประการคือประการแรกคําสอนทั้งหมดก็สอนให้เรารู้จักทุกเนาะรู้จักความทุกคําสอนประการสุดท้ายก็คือเมื่อรู้จักความทุกแล้วก็ให้ประบัติเพื่อถึงซึ่งความดับทุกนั้นเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาศึกษา ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นการศึกษาเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เท่านั้นนะแต่ถ้าศึกษาหรือปฏิบัติธรรมไปเพื่อหนทางอื่นต่างๆนอกจาก <c oughs> ความดับทุกข์แล้วก็อ น, นั้นไม่ใช่หนทางของพุทธศาสนาที่แท้จริงนะเพราะนั้นเรามาปิบัติธรรมนะก็เพื่อให้เราออกจากความทุกข์สู่ความดับทุกข์นั่นเองนะ แล้วก็ข้อสําคัญก็คือเรารู้จักทุกหรือยังนะซึ่งเป็นประการแรกในเรารู้จักทุกหรือยังถ้าเราจะดับทุกแต่ถ้าเราไม่รู้จักทุกแล้วเราจะไปดับทุกได้อย่างไรนะเพราะคนที่เขาไม่เห็นทุกเขาก็ไม่สนใจที่จะมาปฏิบัติเพื่อการดับทุกแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคราวนี้ความทุกข์ก็มี2อย่างก็คือความทุกข์กายและความทุกข์ใจความทุกข์กายนะอันนี้เราเราสามารถที่จะเห็นได้ไม่ยากใช่ไหมอ่า อย่างเช่นตอนนี้นะเราอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยใช่ไหมเราอาจจะนั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วตอนเนี้ความปวดเมื่อยนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าเราเราต้องขยับเท้านะหรือเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเดินไป <c oughs> ไปยืนไปนั่งไปนอนเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์นั่นเองนะหรือเรารู้สึกง่วงง่วงนะง่วง ง, วงก็เป็นความทุกขนะ์นะความทุกข์เหมือนกันใช่ไหมนะความทุกข์ ความง่วงก็เป็นความทุกข์ก็เราอยากจะนอนแล้วเกินทำให้ต้องตื่นเช้าขนาดนี้นะเนาะหรือฟังแล้วมันก็ง่วงๆไงใช่ไหมเป็นความทุกข์ใช่ไหมหรือไม่เราเบื่อเบื่อเบื่อก็เป็นความทุกข์นะาบางทีเราไม่ทันอาหารเย็น <c oughs> ก็มีความหิวนะความหิวก็เป็นความทุกข์แล้วในชะ่ไหรืออากาศบางทีมันก็เย็นๆนะเราไม่มีเสื้ อ, อคุมต่างๆมาก็มีความทุกข์ใช่ไหม เนี่ยคือความทุกข์มันปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเขาไหมใช่ไหมไม่ใช่เป็นความทุกข์ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ความทุกข์ที่เกิดในปจัจบันเนี่ยสำคัญว่าเราเห็นเขาไหมนะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เราจะรู้จักว่านี่แหละคือความทุกข์เนาะ <c oughs> เพราะนั้นบางทีเคยไปเคยไปชวนคนมาปฏิบัติธรรมเขาก็ถามว่าจะบัตรทาไปทําไมก็บอกว่าไปบัตรรมแล้ว <c oughs> ความทุกข์ก็จะลดลง เขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะอันนี้เพราะว่าเขาไม่เห็นความทุกข์นะคนส่วนมากก็เป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่คือประมาณคนไทยนะคนไทยเข้าวัดเนี่ยคือจริงๆแล้วประมาณ 80% พวกนี้เขาเข้ามาทําบุญให้ทายรักษาศีลเท่านั้นเองนะแต่ว่าเขาไม่สนใจการปฏิธรรมเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่รู้จักความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกจากความทุกข์ได้อย่างไรเนะ ครันนี้นะ่คนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้ก็คือเขาไม่เห็นทุกข์เขาจึงไม่มาสนใจปรัธรรมันนะครัน้นี้ความทุกข์ประการที่สองก็คือความทุกข์ในด้านจิตใจนะตรงนี้เราเห็นไหมนะความทุกข์จิตใจนี่แหละความทุกข์ในจิตใจนี่มันอันตรายกว่าความทุกข์ทางกายนะเพราะคนที่ฆ่าตัวตายนี่แหละเราจะไม่เคยพบคนที่นอนตามใต้สะพานนะหรือเก็บขยะคนนี้เขาเขาไม่ไม่ฆ่าตัวตายหรอกใช่ไ <c oughs> แต่คนที่ฆ่าตัวตายนี่จะเป็นคนที่ฐานะค่อนข้างที่จะดีนะแต่ประสบปัญหาในเรื่องจิตใจต่างๆเช่นความผิดหวังนะอาจจะผิดหวังเรื่องต่างๆเช่นความรักนะหรือเรื่องครอบครัวหรือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่หาทางออกไม่ได้นะทั้งๆที่เป็นคนร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีฐานะดีแต่เมื่อประสบปัญหาในเช่นนั้นก็รู้สึกเป็นทางตันออกจากความคิดไม่ได้นะก็เลยไปฆ่าตัวตายนะ เพราะนั้นเนี่ยความทุกข์ในทางจิตใจเนี่ยมันร้ายแรงอันตรายทําให้คนฆ่าตัวตายได้นะความทุกข์ในทางจิตใจที่ร้ายแรงเช่นนี้นะแต่กลับสามารถแก้ไขได้อย่างเด็ดขาดให้ดับความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดได้อย่างเช่นพระละหันใช่ไหมพระละหันนี่ท่าน <c oughs> มีแต่ความทุกข์ในทางกายเท่านั้นแต่ความทุกข์ในทางใจท่านดับไปแล้วนะ เ, นเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือเราจะมาแก้ความทุกข์ <c oughs> ในทางจิตใจกันนะส่วนทางกายเราแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อมีร่างกายเราก็ต้องบํารุงเลี้ยงดูดูแลรักษาเขาซ่อมบำรุงเขาไปถ้าไม่ซ่อมบารุงบ้างใดเขาจะแสดงความทุกข์เราเห็นเมื่อ น, นั้นเพราะฉะนั้นร่างกายแก้ไม่ได้แต่จิตใจเนะี่ยสามารถที่จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนาะครั้นี้เราเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วการปฏิธรรมเราเพื่อดับทุกข์เท่านั้นนะเราไม่ต้องหวังประการอื่นนะ คำวงประการหรือบางคนก็หวังอย่างอื่นนะเช่นมีอิทธิฤทธิ์มีอะไรต่างๆเยอะแยะนะนี่เป็นเรื่องที่ <c oughs> ทิ้งเงินช้าเป็นทางอ้อมไม่ใช่หนทางแห่งแท้จริงเนาะคราวนี้เราเราก็กลับมาปฏิบัติธรรมเพื่อการดับทุกข์นี้เราจะทำอย่างไรใช่ไหมพระพจ้าก็ได้ให้หลักเอาไว้แล้วในสติปัฏฐาน4ี่ก็คือให้เรารู้จักในในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเองใช่ ตันนี้พระพุทธเจ้าให้รู้อะไรก็คือเราเรามีอะไรบ้างเราก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายมาร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตใจหรือนามนั่นเองนะรูปและนามนี่แหละคือร่างกายและจิตใจนีตัวเราก็มีอยู่แค่นี้เพราะมันพระเจ้าพระเจ้าให้เรารู้จักอะไรก็ให้เรากลับมารู้จักร่างกายและจิตใจเรานี่แหละไม่ได้ให้ไปรู้จักอย่างอื่นเนาะ ไม่ได้ต้องไปรู้จักอะไรมากมายไม่ต้องรู้จักว um ่าดาวดาวอังคารตอนนี้มีอะไรบนดาวังคารมั่งเนาะมีอะไรอย่างงู้นนี้อันนั้นไม่จําเป็นนะหรือใต้มหาสมุทรมีอะไรอยู่ใต้มหาสมุทรอันนั้นก็ไม่จําเป็นเพราะว่านั่นไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์เลยการดับทุกข์ก็กลับมารู้จักกายและใจเรานี่แหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอย่างไรก็เลยบอกว่าให้เรากลับมารู้จักกายเวทนาจิตและธรรม ครนี้นะก็เริ่มต้นที่กายก่อนเพราะกายเนี่เป็นเรื่องง่ายใช่ไหมเวทนาหรือจิตหรือธรรมอะไรก็ยังเห็นยากนิดนึงแต่ว่าเรามีร่างกายอยู่แล้วก็ให้กลับมาเรารู้จักกายนี่แหละว่าว่าเป็นอย่างไรใช่ไหม <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าอยืนยืนให้รู้ว่ายืน <c oughs> เดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้นั่งนอนให้รู้ว่านอนก็คือกลับมารู้ในปัจจุบันนี่แหละว่ากําลังทําอะไรอยู่เนาะเราขณะนี้เรานั่งตอนนี้เรารู้นนรไหมว่าเรานั่งใช่ไหม บางคนนั่งก็ไม่รู้ว่านั่งก็มีนะใช่ไหมนั่งก็บางทีเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ใจลอยอคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะอันนี้เราเราไม่ได้รู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่ใช่ไหมือจริงๆแม้แต่เราเดินใช่ไหมเราเดินตลอดชีวิตแล้วใช่ไหมเดินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบางคนก็เดินมาตั้งหลายหลายปีบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ากลาลังเดินก็มีใช่ไหม <clears throat> เดินไปก็คือคิดไปนะเดินไปคิดไปหรือก็มองนู่นมองนี่ไปหูก็ฟังเสียงนู่นเสียงนี่ไป แต่ว่าไม่ได้กลับมารู้เลยว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยนอนอหรือยืนเราก็ไม่รู้นะอันเนี้ยบทสีเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเรากำลังทําในสิ่งเหล่านี้อยู่ใช่ไหมก็มีแต่ว่าเราหลงไปในความคิดหลงไปในอาการต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่นะ่เป็นเช่นนี้จริงๆเพราะฉนั้นในสมัยพุทธกาลก็เคยมีาพามมาถามพระเจ้าว่าพระพุทธองค์ได้ทรงร่วงทุกข์ได้อย่างไร พระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตยืนเดินนั่งนอนพราหมณ์ก็เลยหัวเราะเยาะว่าชาวบ้านเขาก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันนะพรุทธเจ้าบอกไม่เหมือนกันพรุทธเจ้ายืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนพราหมณ์ก็เลยบอกว่าโอ้ยังงั้นชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกใช่ไหมเห็นไหมก็คือชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่ากําลังยืนเดินนั่งนอนแต่พรุทธเจ้ารู้นะว่ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนเนี่ย เป็นสภาวะที่มันต่างกันเพราะเราก็ทําทุกคนนะเราก็ยืนเดินนั่งนอนทุกคนเนะ่ยแต่เราไม่รู้ใช่ไหมผูว้วิจารณ์บอกให้กลับมารู้นะกําลังบทสี่เนี่ยก็คือให้รู้นั่นเองใช่ไหม <c oughs> ต่อมาผู้วิจารณ์บอกว่าเห <c oughs> ลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังอคู่แขนเหยียดแขนทรงจีบอลสังขติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจละปัสวะก็ให้รู้ว่าขณะนั้นกําลังทําอะไรอยู่ให้มีสัมชัญญะในการรู้ว่ากําลังทํำอะไรอยู่นะ ให้มีความรู้ตัวในขณะนั้นว่ากำลังทำอะไรอยู่นะตรงนี้ก็คือให้รู้ในบทย่อยต่างๆนั่นเองนะเราดื่มกินพูดคิดนะคู่แข่เหยียดแขดต่างๆก็ให้เรารู้ในชีวิตประจวันเรานั่นเองใช่เราจะทานอาหารนะดื่มน้ำอุจจลระปัสสวะใส่เสื้อผ้าอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้ากวาดบ้านถูพื้นซักผ้า อไปซื้อกับข้าวเสื้ออาหารต่างๆก็ให้รู้ในขณะนั้นว่ากาำลังทําอะไรอยู่เนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่า <c oughs> เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจมันเราอยู่แล้วแต่เราก็ก็ไม่เคยรู้เลยว่ากําลังทำอะไรอยู่เนาะตรงเนี้ยเราทานข้าวนะทานข้าวก็ไม่รู้กำลังทานอะไรอยู่ <c oughs> รู้แต่ว่าเออมันมันอร่อยไม่อร่อยแล้วคิดไปทุกมันคิดไปนี่นี่แหละคือคนเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะตรงเนี้ยมัน <c oughs> มันจึงเป็นเหตุว่าเราไม่ได้กลับมารู้กาลังทำอะไรอยู่มันจึงกลายเป็นความหลงนะ เมือ่อเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้ว่ากําลังทํำไรไม่รู้ว่ากากําลังทํำไรไม่รู้ว่าใจกําลังทำไรนั่นแหละคือการหลงแล้วตรงเนี้เรารู้ไหมว่าเป็นความหลงใช่ไหมแต่บางคนก็ไม่รู้นะใจหลงไปมีความคิดเราก็ไม่รู้ทันเราก็ไปช่วยเขาคิดติดตรากคิดไปเรื่อยๆนะเรื่อยเปื่อยไปทั้งวันนั่นแะหละเราหลงแล้วเราไม่รู้ว่าเรากําลังคิดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมารู้ว่ากําลังคิดไหมนะต่างๆเหล่านี้นะกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้ใช่ไหม ครั้นี้วิธาการอยู่กับปัจจุบันนี้ก็คือกลับมารู้กายรู้ใจนั่นเองใช่ไหมครั้นี้คําว่าปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราจะต้องสังเกตนิดนึงว่าเราอยู่กับปัจจุบันไหมใช่นหมคาว่าปัจจุบันก็หมายความว่าในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรารู้ไหมเท่าไหร่ที่เรารู้ว่าขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่นั่นแหละคือปัจจุบันแล้ว <c oughs> แล้วก็ปัจจุบันนั่นแหละก็คือความรู้สึกตัวน้ อย่างตอน <c oughs> ตอนนี้ถ้าเรานั่งอยู่นะเรารู้ว่าเรากําลังนั่งนะอันนี้ก็คือปัจจุบันแล้วเพราะเรารู้ว่าขณะนี้กาลังนั่งและนี่แหละคือความรู้สึกตัวแล้วใช่ไหมแค่เรารู้ว่าเรานั่งนี่แหละคือความรู้สึกตัวแล้ว <c oughs> นะหรือเรากําลังยกมือไส้หวะหรือลพลิกมือกําลังทําอะไรก็แล้วแต่เนาะเรารู้ไหมว่าขณะนี้กําลังทําสิ่งเหล่านั้นอยู่ใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรากำลังยกมือไส้งหวาก็จริงแต่เราไม่ได้รับรู้ในตรงนั้นนะนะเราใจลอยกลับไปที่บ้าน นั่นแหละถึงแม้เรากาลังสร้างจังหวะอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ชื่อว่าเรารู้สึกตัวแต่ในขณะเดียวกันคนที่นั่งเฉยๆนิ่งๆแต่ขณะนี้กำลังรู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังฟังอยู่โดยที่ไม่ได้สร้างจังหวะอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วและนั่นแหละชื่อว่ารู้สึกตัวแล้วเนาะเพราะคำว่ารู้สึกตัวไม่ใช่ว่าเรามาสร้างจังหวะแต่หมายความว่าเราสร้างจังหวะก็จริงแต่เรารู้ไหมว่าขณะนั้นเรากําลังสร้างจังหวะอยู่่กกําาลลังมีรเคือนไว เรารู้ไหมใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้เราเป็นการแก้ความเคยชินที่เราเคยกระทํามาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้อเช่นเราแปลงฟันตลอดชีวิตเลยนะแปลงฟันมาวันละสามครั้งนะเราแปลงฟันนั่นเราสังเกตไหมว่าเราแปลงด้วยความเคยชินหรือรู้สึกตัวใช่ไหมอาจจะตอบในส่วนใหญ่ 90% ้แบเปอร์เซบอว่าออมันก็รู้สึกตัวบ้างนะแต่มันก็นิดๆหน่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่รู้สึกตัวมันจะแปลงฟันด้วยความเคยชินมากกว่านี่แหละ เราสังเกตได้ไหมว่าเราแม้แต่แปลงปันก็เป็นความเคยชินเป็นส่วนใหญ่เราจึงไม่รู้สึกตัวเกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉนั้นเมื่อเราทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เป็นความเคยชินเพราะความเคยชินนั่นแหละก็คือการหลงไปนะแต่ก็กลับมารู้ว่าขณะนี้นเรากำลังทําอะไรอยู่ตรงนั้นมันก็จะไปแก้ความเคยชินได้เป็นความรู้สึกตัวนะความเคยชินมันก็เป็นอัตโนม <c oughs> ัติไปนะบางทีเราสร้างอย่างบะเมื่อสร้างไปเรื่อยๆนั้นมันก็กลายเป็นความเคยชินแล้วเป็นอัตโนมัติไปก็ต้องรู้ว่าเออตอนนี้เราหลงไปแล้วนะ ก็ตกลับมารู้สึกตัวใหม่ใช่ไหมนี่แหละเพราะว่าเราเป็นการกาที่ใส่ที่เรามีความเคยชินอัตโนมัติอันนี้เป็นความหลงแต่กลับมารู้ว่าขณะนี้ลังทำอะไรอยู่นี่แหละเป็นการแก้ความหลงให้กลับไปเป็นรู้เนาะเพราะฉะนั้นคําว่าปัจจุบันเนี่ยคือเราออกจากความหลงและความคิดได้เนาะความคิดส่วนใหญ่มันจะมี2ประการคื อ, ค, อความตั้งใจคิดอันนี้มันไม่หลงนะ ใจประการก็คือเราไม่ตั้งใจคิดใ น, นหละคือความหลงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นความคิดส่วนใหญ่เกมันก็คือความหลงนั่นเองส่วนสิเอรอาจจะเป็นความตั้งใจคิดอันนี้ก็ไม่หลงการที่เราออกจากความคิดได้นั้นะถือว่าเราออกจากความหลง <c oughs> ครนนั้นเราจะออกจาความคิดแต่อย่างไรก็คือกลับมารู้นั่นเองใช่ไหมกลับมารู้ในปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรานั่งเราต้องคิดไหมว่าเรานั่งเราไม่ต้องคิดใช่ไหมแค่เรารู้เท่านั้นเองใช่ไหมหรือ เรายกมือสร้หวานแล้วก็ไม่รังคิดว่าเรากำลังยกมือไส้เอบะแต่ว่ามันเป็นแค่การรู้เพราะว่าอะไรเพราะสิ่งตรงนี้ก็คือความจริงที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นสิ่งใดที่เป็นความจริงที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นไม่ต้องอาศัยความคิดแม้แต่น้อยเดียวแต่เป็นแค่การรู้เท่านั้นเองนะเมื่อเรารู้เราจริงออกจากความคิดได้แต่เมื่อใดที่เรานั่งนิ่งๆแล้วมันก็จะใจก็หลงไปเราจะเข้าไปในความคิดมากมายนะการที่เราสร้เงาบะหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะพลิกมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเดินโยงกลม อันนั้นแหละก็เป็นการที่ว่าให้จิตเขามีงานทำให้จิตเขามีเครื่องรู้อยู่ให้จิตเขามีหลักมีเกาะในการที่เขาจะใส่ในตรงนั้นเป็นเครื่องรู้หลังจากที่จิตมีเครื่องรู้แล้วหรือเรียกว่าเป็นวิหารธรรมแล้วเขาก็สามารถสังเกตความคิดได้เองอสังเกตว่าอตอนนี้เราคิดไปแล้วน ะ, ะเรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ต่างๆได้ก็เพราะเรามีความ รู้สึกตัวนั่นเองนะก็คือใจมีเครื่องอยู่เครื่องรู้ให้ใจมีงานทำมาการที่ใจมีงานทํานั้นนะเราก็ไม่ได้ไปเพ่งจิตใจบางคนต้องกคอยคอดูจิตใจเออตอนนี้คิดหรือยังตอนนี้จะโกรธไหมตอนนี้จะรักไหมเมื่อไปเพ่งเขาจิตก็จะแข็งแข็งจะทื่ๆจะซึมๆนั่นแหละมันเป็นอกคติจิตเพราะว่าเราไปตั้งใจดูปั๊บเนี่ยจิตเนี่ยแข็งไปเลยนะแต่การที่เราสามารถที่จะรู้ได้รู้ร่างกายไปก่อน ร <c oughs> ่างกายอะไรก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนหรือไส้กรว่าต่างๆอะไรสักอย่างหนึ่งกว่ า, า, า, า, วาดบ้านแปรงกวาดล้างหน้าตรงนี้เมื่อมจิตมีเครื่องรู้แล้วเขาเรียกว่าให้จิตมีงานทําให้จิตมีเครื่องอยู่แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ออกจากจิตใจเขาจะรู้ได้เร็วเขาจะรู้ได้ไวเพราะมันหลุดจากปัจจุบันไปนั่นเองเนาะ <c oughs> ตรงนี้ก็คืออาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อวานนี้เราทานอ่าเมื่อวานเราทานข้าวกับอะไรใช่ไหมเราต้องคิดถึงใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่ประดิษฐ์เราจะต้องอาศัยความคิดถึงนะหรือพรุ่งนี้เราจะทําอะไรต้องอาศัยความคิดใช่ไหมนี่แหละจิตที่มันหลุดไปมันไม่ได้หลุดเข้าสู่ปัจจุบันแต่มันหลุดเข้า ป, ประวัติหรืออนาคตรหรือไปปรุงแต่งมาส่วนใหญ่เพราะฉนั้นเมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันโดยอาศัยเครื่องรู้บางอย่างเช่นการพลิกมือหรือการยกมืออันนี้คือหลักของปัจจุบันสิ่งที่หลุดจบ จากปัจจุบันก็คือหลุดไปในอดีตหรือนาคอหรือไปปรุงแต่งเราก็จะรู้ได้ทันทีเพราะมันหลุดจากปัจจุบันนั่นเองนะเพราะนั้นเราก็ฝึกอยู่ปัจจุบันบ่อยๆโดยอาศัยการเคลื่อนไหวนี่แหละให้ใจรับรู้ตรงนี้มันจะได้หลักขึ้นมาว่าเออเรามีมีใจมีเครื่องอยู่แล้ว <c oughs> มีใจมีงานทําแล้วเพรอเมื่อหลุจากใจปุ๊บมันจะหลุดจากปัจจุบันทันทีจะเข้าไปในอดีต น, นาคอทัน ท, ทีเราจะรู้ทันเนาะตรงนี้ก็คือหลักการที่เรียกว่ากายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายอยู่ไหนใจอยู่นั่น ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนั่นะก็คือสายกายเป็นเครื่องอยู่หลัง <c oughs> หลังยังมีกายเป็นเครื่องอยู่แล้วเราจะสังเกตนะความคิดเลือรมต่างๆได้ไวเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลวงพอเทียนจึงบอกว่าอให้เห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไปห้ามความคิดเมื่อไหรนั่นแหละอันนั้นมันจะมีความไม่ปกติเกิดขึ้นนะมันจะไปบังคับเขาอันนั้นไม่ความจริง แต่ในหลานด้วยกาหลวงพ่อเทียนพูดอีกอย่างหนึ่งว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้น ะ, ะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้ก็คือไม่มีความคิดแล้ว <c oughs> มีความคิดสักร้อยครั้ง <c oughs> ถ้าเราสามารถเห็นว่าเราคิดสักร้อยครั้ง <c oughs> เห็นความคิดสักห้าสิบครั้งก็ถือว่าจิตเราเริ่มตื่นตัวแล้วใช่ไหมตรงเนี้เป็นหลักการสําคัญเพราะการปฏิบัติเจรตีนิม่มเราไม่ได้ให้จิตสงบนิ่งนิ่งแต่อย่างใดน ะ, ะไม่ได้ให้จิตก็ต้องคอยรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือว่าต้องคอยนิ่งนิ่งทั้งหลายแหล่ อันนั้นเป็นการไปบังคับเขาสังหาร <c oughs> แต่ว่าเรารู้ตามความเป็นจริงได้ไหม <c oughs> เพราะจิตนี่เราบังคับเขาหยุดคิดไม่ได้หรอกแต่เมื่อเขาคิดเนี่ยสําคัญว่าเรารู้รู้ทันไหมใช่ไหมเขาคิดไปเรารู้ทันไหมเมื่อใดที่เรารู้ทันนั่นแหละจิตจะตื่นตัวขึ้นมาครั้งหนึ่งนะตรงนี้คือคือหลักการสําคัญที่รู้ว่าเป็นการเหยาวทานรู้นะให้จิตเขาตื่นตัวให้เขารู้เมื่อจิตสามารถเราสามารถเห็นความคิดได้บ่อยจิตจะเริ่มตื่นตัวได้บ่อยขึ้น หลังจากที่ติดตื่นตัวแล้วจิตก็จะเกิดเ ah ้าเรียกว่าจิตตื่นตื่นรู้นะจิตตื่นรู้ท่าเนี่มันจะไวมากนะคนที่จิตตื่นรู้เราจะรู้ว่ามันต่างๆกันจิตไม่ตื่นรู้มันจะรู้รู้เท่าทันอาการกายและใจได้ไวใช่ไหมจิตตื่นรู้แล้วต่อไปจิตก็จะตั้งมั่นจิตจะเกิดการตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูผู้รู้ไปมันจะไม่เป็นผู้เป็นใช่ไหมมันจะเห็นกายเคลื่อนไหวเราเดินยังกลมจิตก็จะตั้งมั่นเป็นผู้ดูดูกายเคลื่อนไหว ดูกายเดินจงกรมมัน ไ, ไม่ใช่เราเดินนะดูกายเดินแล้วก็ดูกายสร้างยังหะดูกายยืนเดินนั่งนอนมาดูกายแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ําดูกายกินข้าวไปนะในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีความคิดจิตที่ตั้งมันก็จะดูความคิดได้เออความคิดเกิดขึ้นแล้วนะความคิด เ, ออเห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วนะอาจจะเห็นความคิดดับได้ด้วยนะเลยจะดูว่าตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะความรักเกิดขึ้นแล้วนะแต่มันไม่ใช่ว่าเราโกรธเรารักแต่ว่าเราเห็น เห็นใจมันไปโกรธเป็นรักเห็นใจมันไปเกลียดไปโกรธทั้งหลายแหล่เห็นใจทํางานได้นี่ก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตจะว่องไวนะตรงนี้มันจะต่างกับสมถะเยอะเลยเพราะจิตตัวนี้มันออกจากความทุกข์ได้มันเห็นมันไม่ได้เป็นผู้เป็นใช่ไหมสมถะมันกลายเป็นผู้เป็นไปมันไม่ได้เห็นจริงๆอะไรหรอกเพราะมันมีแต่ความสงบแล้วไม่สงบเท่านั้นเองเนาะครั้นี้ถ้าเราไปบัติไประดับหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่า เมื่อวานนี้นะเราไปปฏิธรรมนี่ดีน ะ, ะเรามีสติกับทั้งวันเลยมีความรู้ตัว ก, กับทั้งวันแต่ทําไมวันนี้น ะ, ะมันถึงหายไปหมด <c oughs> วันนี้ทํำไมมีแต่ความฟุ้งซ่านเยอะแยะเลย <c oughs> แล้วเราก็จะมีความทุกข์ว่าเออมันไม่ดีนะน ะ, ะมันทําไมเป็นแบบนี้เมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีเรามีความทุกข์แล้วเราตอนนี้เราจิตตกแล้วเราไปปัิไม่ได้ผลแล้วคือนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กับหลายหลายคนน ะ, อะพอเพราะมันไม่ดีเราก็มีความทุกข์นี่แหละเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจความจริงว่าเรา ว่าเราบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาจึงไม่เที่ยงนี่แหละอตรงนี้เราก็จะมีความทุกข์จากการที่เราไม่เข้าใจในพระไตรลักษณ์เราก็จะมีความทุกข์เรื่อยๆมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีอันนี้มันไม่ดีมันไม่ใช่เราไม่ดีนะแต่ว่าอะไรไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันไม่ใช่เรานะมันมีแต่ความไม่เที่ยงเท่านั้นเองนะเมื่อกี้ที่เราที่พระอาจารย์ออสท่านก็นำสวดมนต์อนุตตลักษณสูตรพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดไว้ว่าดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลาย รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาคือกายในใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นควรจะตามคิดหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นั้นพระเจ้าข้าแล้วพระพธิสัตว์องค์ก็ได้ทรงยากย้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตางไร หลังจากเมื่อฟังอนัตตาลัทธสูตรนี้จบแล้วพระภิกษุปัญญกวีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนนี่ก็คือการที่เราเห็นสัจธรรมนั่นเองสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมก็คือความจริงที่ปรากฏจริงจริในโลกนี้ความที่เป็นสัจธรรมที่ปรากฏในโลกนี้มีอะไรบ้างก็คือความไม่เที่ยงนี่แหละความไม่เที่ยงนี่คือความจริงซึ่งเราเมื่อบรรลุธรรมแล้วเราสามารถเห็นเขาได้อย่างชัดเจนนะเมชาวนี้บรรลุธรรมดีตอนใบกลับปฏบัติไม่ดีนี่แหละคือความไม่เที่ยงแล้วใช่ไหม หรือเมื่อกี้เราก็ยังเดินอยู่เลยตอนนี้กลับมานั่งแล้วตอนนี้เรานั่งประเดี๋ยวกลับไปเดินแล้วนะหรือตอนนี้อารมณ์มันก็ปกติดีประเดี๋ยก็ไปรักไปชังไปกรธไปเกลียดขึ้นขึ้นลงลทั้งวันนี่แหละคือความไม่เที่ยงเราเห็นเขาไหมใช่ไหมถ้าเราไม่เห็นเราจะมีความทุกข์มากเพราะเราไม่เห็นความจริงเมื่อไม่เห็นความจริงจึงไม่ยอมรับความจริงในความไม่เที่ยงนั้นเราเราจะมีความทุกข์เพราะในโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงทั้งหมดความรักมันก็ไม่เที่ยงนะเราจะมีความทุกข์แต่เมื่อใดที่เรายอมรับความจริงในคควววาามมมไไ่เททียงงงแลลลุ้กก็จะะดปถึ 50% น ตรงนี้คือความจริงต่างหากนะเพราะเราไม่ต้องไปไปกังวลว่าเมื่อวานเราดีวันนี้ไม่ดีเราเราแย่อันนั้นไม่ไม่จริงอันนี้เขาแสดงความไม่เที่ยงต่างหากว่าเราเห็นเขาไหมนะที่เราที่เขาไม่เที่ยงเพราะเราบังคับเขาไม่ได้นั่นเองเมื่อบังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยมันกลับมาเห็นในตรงนี้ว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราแต่ถ้าเราทําแล้วมันดีทุกวันดีทุกครั้งที่เราต้องการมันก็จะกลายว่าเออมันเป็นตัวเป็นตนแล้วนะเราบังคับเขาได้ นะเพราะการบัตรธรรมทั้งหมดก็เพื่ออะไรเพื่อหเห็นเมตไตรลักษหรือสัจธรรมนั่นเองว่ามันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปาตาบังคับอั็นชายไม่ได้ถ้าเมื่อใดที่จิตเข้าถึงตรงนี้แล้วจิตจะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดการที่คลายออกจากตันหาทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเป็นเหตุให้ภพชาติลดลงและสั้นลงระดับไปนนในที่สุดเนาะเพราะการบัตรธรรมทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เพื่ออะไรเลยเพื่อเห็นเมตไตรักษ์นเนเอให้เห็นว่าสังขารคือร่างกายจิตใจนี่แหละ มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บรราไม่ให้ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเมื่อนั้นจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ติดในสังขารร่างกายนี้และนั่นแหละเป็นหนทางแห่งความทุกข์ที่แท้จริงเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจในพระไตรลักษณ์แล้วการบัดธรรมเราก็จะมีความทุกข์มากมาอย่างเช่นอดีตที่ผ่านมาอะไรหลายท่านก็จะเปลี่ยนวิธีการเรื่อยๆออวิธีการนี้เ <c oughs> ช่นวิธีการอะไรก็แล้วแต่เคยบัดในอดีตมันก็ไม่ดีนะบัดบันมาหลายหลายปีแล้วก็ไม่ดี ไม่ดีทาวนบอลก็เปลี่ยนวิธีการอื่นๆไปเรื่อยๆนั่นแหละเราไม่เข้าใจนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เรียกว่าเราเรายังไม่เห็นมาตายรักนะแต่เราเห็นมาตยรักแล้วรู้ว่าเออเนี่ยตรงนี้นะไม่ว่าวิธีการอะไรก็แล้วแต่ไม่มีวิธีการไหนที่ทําเราดีทาบอลซักวิธีการเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นแหละเขาแสดงมไตยรักเราเห็นแล้วเราเห็นก็ไม่ต่างหากเข้ามาเมื่อใดที่ร่างกายจิตใจเราเ้แสดงมาตายรักเราจงเห็นเขา และอย่าไปเป็นในสิ่งนั้นแล้วเราจะเจอความทุกข์ได้เนาะนี่แหละเป็นคนทางในการพ้นทุกข์ที่ท์จริงเพราะในในท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณพระไตรยน้อนมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้เร็วพัวนทุกท่านเทิด